จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็จะเป็นบทเรียนพุทธประวัติตอบเมื่อวานนี้เมื่อครั้งที่แล้วนี้ก็ได้กล่าวมาถึงตอนที่พระโพธิสัตว์ได้ประสู่จากพระคันของพนางเจ้าสิริมหามายาแล้วก็ได ด ำ, ด, ด, ำดำเนินไปด้วยพระบาทเจ็ดเก้าพร้อมทั้งเปล่งอาสุพิวาจาและเป็นเหตุมหาสัจรร์ําให้แผ่นดินนี้เกิดบันไหวขึ้นวันนี้ก็จะได้ว่าในบทเรียนต่อไปเมื่อพระเจ้าสุโธธนะทรงทราบเช่นนี้แล้วก็จึงได้อัญเชิญเสด็จกลับพระนครฝายอสิตดา บ, บท หรืออีกนายหนึ่งเรียกว่าการะเดวินดาบทที่ผู้อาศัยอยู่ข้างภูเขาหิมพานเป็นผู้คุ้นเคยและเป็นที่นับถือของราชสกุลอธิษดาบทหรือการะเดวินดาบทวกนี้ที่ว่าเป็นผู้คุ้นเคยในตระกูลแห่งสากยะตระกูลนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าเมื่อพระเจ้าสีห า, หานุทรงเป็นกษัตริย์ ปกครองกรุงกบิลพัทนั้นอสิตาดาบดหรือการเดวินผู้นี้ได้เป็นปุโรหิตนะได้เป็นตุโรหิตตาจารย์ได้สั่งสอนทรรมแก่พระเจ้าสีหานุกแต่เมื่อพระเจ้าสีหานุสวรรค์ไปแล้วพระเจ้าสุโทธทนะได้ขึ้นครองราชแทนพระราชบิดานั้น ปุโรหิตผูน้นี้อ่กาลเดวินดาบทผู้นี้ก็ยังเป็นปุโรหิตอยู่แต่ว่าต่ อ, ตอมาพระเจ้าสุโธทนะแสดงอาการที่เรียกว่าไม่ค่อยได้เชื่อถือเชื่อฟังธ น, นะตเพราะฉะนั้นอสิตะดาบทหรือกาลเดวินดาบทผู้นี้ก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจก็ลาออกจากตาแหน่งปุโรหิตแล้วก็ ออกบทเป็นพนาบทบางเพ็พศ อ, อยู่ข้างภูเขาหิมพานเมื่อไในทราบข่าวว่าพระเจ้าสุโธทนะมีพระราชโอรสก็จึงได้เข้าไปเยี่ยมในฐานะที่เป็นสกุลที่คุ้นเคยกันพระเจ้าสุโธทนะก็ตรัสสั่งให้เชิญขึ้นไปนั่งณนะสถานที่อันสมควรแล้วทรงอภิวาสปรศัยตามควรแล้วก็ทรงให้อุ้มพระราชโอรส ออกมาเพื่อที่จะให้นมัส ก, การพระดาบทพระดาวดพอเห็นพระราชโอรสขึ้นพอเห็นพระราชโอรสเข้าส น, นั้นเห็นยังมีลักษณะต้องตามตำลับพระมหาบุริสลักษณะคือตำลับของมหาบุรุษลักษณะสามสิบสองประการซึ่งบุคคลที่มีลักษณะสามสิบสองประการนี้ท่านได้มีคติทำนายไว้เป็นสองประการ คือว่าถ้าหากว่าอยู่คลองเป็นคารวาสก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ถ้าหากออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนี่ตามตำรับได้บ่งไว้ก็เห็นพระมหาบุรุษนี้ต้องตามตำรับมหาโุลิสละขณะสามสิบสองประการเห็นเป็นหัตถ์จันอย่างนั้นก็มีความเคารพนัถือในพระราชโอรสมากจึงลุกขึ้นทรงกลา่าวจึงลุกขึ้นกราบลงที่ ภายุคลบาททั้งคู่ของพระราชโอรสแล้วก็ทำนายลักษณะของพระราชโอรสตามมหาปุริสละขณะพยากรณ์เมื่อเวลาสมควรแล้วจึงได้ถวายพระพรลากลับไปอาสมขนตนฝ่ายราชสกุลนั้นเห็นดาบดผู้เป็นที่นับถือขุงตนลงกราบพระบาทของพระราชโอรสซึ่งประสูใิใหม่ๆ แสดงถึงความนับถือและได้พยากรณ์ อ, อย่างนั้นแล้วก็มีจิตใจนี่นับถือในพระราชะโอรสยิ่งนักยอมถวายพระโอรสของตนของตนนั้นนะ่ะบริวารสกุลละหนึ่งพระองค์เพื่อให้เป็นบริวารของพระมหาของพระมหาบุรุษโดยที่มีความคิดว่าถ้าหาว่าพระมหาบุรุษองค์นี้เป็นพระเจ้าจากักรพรรด ก็จะได้มีบริวารซึ่งเป็นกษัตริย์ติดตามแต่ถ้าหาพระองค์ทรงบวชเป็นศาสดาเอกของโลกก็จะได้มีพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นผู้ออกบวชจากสกุลกษัต ร, ริย์แวดล้อมพระองค์ไปเมื่อคิดจึงนี้แล้วก็จึงได้ถวายไว้ศัตรงละองอละพระองค์และพระองค์เพื่อเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ ส่วนพระเจ้าสุโธธนะพระราชบิดาแม้พระองค์เองนั้นเน่ะก็สำคัญในพระราชโอรสของพระองค์นั้นเหมือนกับพระพรหมเพราะเหตุที่ว่าเห็นพระฤาษีนั้นในนวัสการที่พระยุคลบาททั้งคู่ก็จึงได้ยอพระหัสขึ้นนมัสการพระโอรสเป็นครั้งแรกเมื่อพระ มหาบุรุษหรือพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธทนะนั้นมีพระชนมาอยุได้ห้าวันพระเจ้าสุโธทนะก็จึงโปรดให้ประชุมมู่พระประ ย, ายาุรญาตและเสนามาดร้อมกันโดยเชิญพลามร้อยแปกคนมาฉันโภชนาหารเพื่อจะทำมงคลลับพระลักษณะและขนานพระนามต่อไป พลามที่ร้อยทั้งร้อยแดคนที่พระเจ้าสุโธทนะให้เชิญมาเพื่อเป็นมงคลแอลให้เชิญมาเพื่อฉันโภชนะอาหารเพื่อความเป็นมงคลในการทำบุญเรียกว่าง่ายๆคือทำบุญต้อนรับที่ตนเองได้ลูกชายเหมือนกับประเพณีของชาวไทยเราทั้งหลายเมื่อมีลูกชายหรือลูกหญิงออกมาแล้วก็มีบนพระ ไปทำมงคละเจริญพุทธมนต์ชั้นเพนหรือฉันเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เด็กผู้ที่เกิดใหม่เหมือนกันเหล่านี้เป็นต้นแต่พาราหมล้อยแปดคนที่พระเจ้าสุโธทนะเชิญมานั้นก็เพราะเหตุที่ว่าพระเจ้าสุโธทนะเองก็นับถือศาสนาพรามฯยังนับถือศาสนาพราหมณ์อยู่ในขณะนั้นชาวอินเดียทั้งหลายก็นับถือศาสนาพราหม แต่พรามที่เชิญมาทั้งร้อยแปดคนนั้นหมายถึงว่าเป็นพรามณประเภทที่ว่าได้สําเร็จการศึกษาแล้วเป็นพรามเป็นพรามอย่างเต็มตัวแล้วคือพวกพราม์เนี่ยเขากล่าวว่าเหมือนกับนกหรือว่าเหมือนกับไก่ทีว่านกกับหรือไก่นั่นคือว่าเกิดสองครั้งเกิดสองครั้งด้วยกันเช่นนกนี้เกิดครั้งแรกก็ต้องออกมาเป็นฟองไข่คมา และจากฟองไข่จึงจะเกิดมาเป็นตัวเนี่ยจึงจะเป็นนกตัวโดยสมบูรณ์เนียเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินครั้งที่โบราณท่านากล่าวไว้เป็นทํานองเป็นกราบกรหรือเชิงฉันเอเอเชิงฉันว่าจะกล่าวฝ่ายสกุลนาที่ชาชาติหมายถึงว่านกนี่เกิดสองครั้งชั้นใดก็ดีพรามก็เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่า ให้ในธรรมหาชาติก็จะกล่าวไว้ทํานองที่ว่าจะกล่าวฝ่ายเอพราหมนาทิชาชาติเหมือนกันที่ชาชาตินี่แปลว่าเกิดสองครั้งพราหมนี้จะเป็นพราหมณ์เต็มตัวได้ก็ต้องเกิดสองครั้งที่เกิดสองครั้งนั้นหมายความว่าไม่ใช่เกิดเหมือนนกหรือเหมือนไก่คือว่าพราหมณ์นี่ทีว่าเกิดครั้งแรกแล้วไม่ใช่ว่าจะเกิดมาเป็นฟองไข่ไม่ใช่เกิดมาเป็นค้นนี่แหละเป็นตัวนี้แหละแต่ที่จะเป็นพราหม้อยเป็นพราหมณ์ได้เต็มบริบูรณ์นั้นต้องเกิดสองครั้งก็คือ ครั้งแรกเกิดมาจากบิดาและมารดานั้นเป็นตะกรูพรามทั้งคู่คือหมายความว่าบิดาก็เป็นพรามเกิดในวันณภพราหม์มารดาก็เกิดในวันณะพรามนี่ถือว่าเป็นพราม์โดยบริสุทธิ์โดยชาติที่กําเนิดนี้ประกันแต่ถ้าจะเป็นพราม์เต็มตัวหรือโดยแท้นั้นหมายถึงว่าจะต้องเรียนจบไตรเพศเรียกว่าคำพีของพรามนะหรือต่างเรียกว่าเรียนให้จบตามระทับของพราม ลทัทธิของพราหมณ์เขาเขาก็เอ่าเขากล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าจะเป็นพราหมณ์เป็นตัวนั้นก็คือจะต้องเรียนจบไตรเพศอันเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ซึ่งพรามหมณ์หวงนักของหนาวันณะอื่นนั้นไม่สามารถที่จะเรียนคมภีร์เหล่านี้ได้พราหมณ์จะหวงไว้สําหรับวันณะพราหมณ์เพียงวันณะเดียวเท่านั้นในคำพี์คมพีสามคมพี์นั้นที่เราเรียกว่าไตรเพศนั้นก็ได้แก่หนึ่งลึกเวี สองสามเวทและสามยะชุระเวทฤกเวทนี้ <c oughs> กับสามเวทในคัมภีร์นี้เป็นร้อยแก้วคำว่าร้อยแก้วนี่หมายถึงว่าเป็นร้อยกลองเขียน <c oughs> เป็นคัมภีร์ที่แต่งไว้โดยเป็นร้อยกลองคือหมายพามาแต่งเป็นกาบ เป็นโครงเป็นกรอนเป็นชั้นเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นล้อยกรองแต่ส่วนคำทีที่สามคือยชุรเวทนี้เป็นล้อยแก้วคือเขียนสมนวนธรรมดานี่เป็นร้อยแก้อร้อยกรองเป้อยแก้วในยะชุลเวทอายันในลึกเขเวทคำทีที่หนึ่งนั้นท่านก็แต่งเป็นสโลที่เรียกว่าเป็นล้อยแกวนั้นคือแต่งเป็นสโลสำหรับที่ว่าใช้เป็นบกพุทธมน ในการที่จะบูชาบวงสวงแล้วก็อ้อนวอนเทพเจ้าส่วนในคำพีที่สองคือสามเวก็แต่งเป็นสโสลกเหมือนกันคือเป็นพวกลอยกรองแต่งสโสรกเหมือนกันเป็นคำพีที่ใช้สำหรับบทสวดสวในการถวายน้ำสมแก่พระอินทร์และขับจอมเทพเจ้าส่วนในคำพีที่สามนั่นคือยาชุระเวทนั้น เป็นลอยแปล้แก้วธรรมดาเป็นคำพีที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนพิธีอ่าเป็นการที่กําหนดให้รู้ว่าการที่จะแก้บนบทนั้นจะต้องใช้บนเหมือใช้ส่วนบนบทนี้จะต้องทําพิธีอย่างนั้นตั้งสารเพียงตาแล้วก็จะต้องมีหัวหมูใบสีเหล่านี้เป็นต้นก็เหมือนกับในหนังสือทางพุทธศาสนาเราที่เราเรียกว่าศาสนพิธีคือบอกให้รู้ว่า จะทําบุญเช่นนั้นจะต้องจัดอย่างนั้นนเราจะต้องสวดมนต์บทนั้นพอทําบุญเป็นอบทมงคลก็จะต้องสวดมงคลละสวดถ้าหากว่าเป็นอวบมงคลก็จะต้องสวดไปอีกบทหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นบอกให้รู้อันนี้เป็นคัมภีร์ที่เรียกว่าเป็นแบบศาสนพิธีถ้าหากว่าพรามคนใดนั้นเรียนจบคมภีสามคัมภีรเช่นนี้แล้วก็จะได้มีการทําอภิเสก คือว่าเป็นการที่เรียกว่าเสร็จการศึกษาตอนนี้แล้วเป็นพรามเป็นตัวแล้วพราม์ที่เรียนจบจนเป็นพราหม์ทั้งสองประเภทนี่ถ้าหากว่าเรียนจบโดยตาโดยเป็นพรามที่แท้อย่างนี้แล้วก็เป็นที่นับถือของประชาชนประชาชนถือว่าเหมือนกับพระตามหลักของพุทธศาสนาเหมือนกันเมื่อมีงานการใดๆที่จะทําให้เป็นสิริมงคลก็จะต้องเชิญหรือว่านิมนทรพรามประเภทเนี้มาฉันโภชนาหารหรือมา สวดพระเวทพระมนเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งงานานั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าสุโธธนะก็เช่นเดียวกันได้เชิญพรามทั้งร้อยแปดท่านร้อยปดคนมาเนี่ยมาเพื่อในการทามงคลนะฮะทำสิ่งที่เป็นมงคลรับพระรัณะและขนานพระนามโดยการเชิญมาสวยพระกยาหารอ่าโดยการเชิญมาฉันโพชนาหาร เสร็จแล้วเมื่อจะเชิญมาฉันโภชนาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําการขนานขนามและทํานายลาักษณะก็จึงให้พรามณทั้งร้อยปดคนนั้นเลือกเฉพาะคนที่ชานาญในการทํานายว่ลาลักษณะหรือพูดง่ายคือคนที่เป็นโหรที่มีความชานาญมากนะเกี่ยวกับเรื่องต้องเรียนคัมภีร์โหราศาสตร์มาด้วยก็คัดเลือกกันไปในจนนํานวนใจํานวนพรามร้อยแปดคนนั้นเน่ย คัดออกมาแล้วเหลือแปดคนนะเพราะฉะนั้นที่เหลือแปดคนนี้ก็จัดแจงทํานายพรษณะแต่ละท่านละท่านนั้นเ <c oughs> <c oughs> มื่อตรวจสอบดูวันเดือนปีแล้วก็พรษณะต่างๆตามลายพระหัตถ์บังลายพระบาทบังเมื่อประกอบคำกันแล้วในบรรดาพรามทั้งแปดคนนั้นพราหมเจ็ดคนนั้น ทั้งนายออกมาเป็นคติเป็นสองคติเป็นสองนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์องนี้หรือว่าพระาชะโอรสองค์นี้อยูครองเป็นครว่าจะได้เป็นพระเ จ, าจา้าจักรพรรดิอันมีทวีทั้งสี่เป็นขอบเขตแต่ถ้าหากออกบทเป็นออกบรรพชาจะได้เป็นาศาสดาเอกของโลก ดูกวนสองประการกันส่วนพระมีคนหนึ่งชื่อว่าโกนธัญะญพรามโกนธัญะญพรามผู้นี้เมื่อตรวจตามตำนานของตัวเองแล้วยกนิ้วเป็นหนึ่งบอกว่าพระมหาบุุษองค์นี้มีคติเป็นหนึ่งเท่านั้นคือจะต้องปติเป็นหนึ่งนั่นคือจะต้องออกบวชแล้วเป็นสดาสดาเอกของโลก ในบรรดาพรามทั้งแคนนั้นโกลทัญญาพรามพุนนี่แหละเป็นคนที่มีอายุอ่อนกว่าเขาทั้งหมดเรียกว่าเป็นเด็กกว่าเขาทั้งหมดทายพระลักษณะนั้นเป็นประการเดียวแล้วก็จึงได้ขนานพนามว่าสิทธะถากุมาเหตุที่ขนานพนามว่าสิทธะถากุมา น, นี้เพราะดูตามลักษณะแล้วว่า กุมารผู้นี้เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งประการใดจะต้องสําเร็จทุกอย่างแม้ว่าสิ่งนั้นจะยากลําบากแค่ไใดก็ตามเมื่อมีตนเองมีความต้องการแล้วก็สามารถที่จะทําได้สําเร็จทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็จึงได้ถวายพระ น, นามว่าสิทธถะซึ่งมาจากคําศัพท์สองศัาทว่าสิทธากับอัฏฐะอัฏฐะเนี่ยแปลว่าความต้องการหรือประโยชน์สิทธะเนี่ยแปลสาเร็จ หมายความว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดสามารถทําจะสำเร็จทุกอย่างสิงได้ขนณะสนามว่าสิท ธ, ธัคกุมารแต่มหาชนทั่วไปนั่นไม่ค่อยจะเรียกเรียกนิยมเรียกอพระองค์ว่าสิท ธ, ธัคกุมาร น, นิยมเรียกตามชื่อประโคดว่าโคตมะคําว่าโคตมักนี่เป็นชื่อประโคดคือพู้ง่ายๆคือเป็นนามสกุลอินเดียนี่ก็แปลกอย่าง <c oughs> ชาวอินเดียนี่ความจริงนั่น เป็นคนพื้นเอเชียแต่ความนิยมบางปร ะ, ประการบางอย่างนี้เหมือนกับคนทางยุโรปเช่นการเรียกชื่อนี้ไม่นิยมเรียกชื่อแต่ว่าไปเรียกนามสกุลหรือที่เราเรียกว่าชื่อโคดเหมือนกับทางยุโรปเหมือนกันเจนเราจะได้ฟังเห็นหรือได้ยินทางยุโรปนะ่ะมักจะเรียกชื่อคนเนี่ยเป็นนามเรียกไป น, นามสกุลหมดเช่นประธานาธิบดีโลนแลเลการอย่เงี้ย ก็ไม่เรียกว่าโลแนลแล้วเรียกว่าประธานาธิบดเีเลแกนเป็นต้นเหล่านี้ชั้นใดก็ดีคนอินเดียก็เหมือนกันพระองค์นี้พระนามว่าสิทธัตถะกุมารผู้เกิดในโคตมะโคแทนที่จะเรียกสดสิทธัตถะเรียกแต่ว่าโคตมะหรือที่เร า, าเรียกตามภาษาไทยว่าโคดมและพระนามว่าโคตมะหรือโคดมนี่แหละได้ติดพระนามของพระองค์มาจนกระทั่งพระองค์นี้ได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเขาก็เรียกกันว่า พระพุทธเจ้าพ น, นามว่าโคดมหรื อ, อว่าโคธรรมคาว่าสิทธะนี้ไม่มีเลยคําว่าสิทธะนี้ในบทอาณาตาติยาบริปตตั้งแต่นโมเมไปเน่ยมีคําว่าสิทธโธอสโมโโลเกสําหรับพ น, นามนี้ไม่ใช่ว่าเป็นพ น, นามของผู้เจ้าพระองค์ปัจจุบันนี่นะฮะเป็นพ น, นามของผู้เจ้าในอนดีตตการ แต่พระ น, นามของผู้เจ้าในองค์ปัจจุบันนี้ก็คือโคตโมสกัจยาบงค์โวนี่ใช้คําว่าโคตมะเท่านั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัคคูมานี้มีพระชนมายุจเจริญมาได้เจ็ดวันอายุจเจริญมาได้เจ็ดวันพระมารดาพระราชมารดาคือพระ น, นางเจ้าสิริมหามายานี้ก็ สิ้นพระชนหรือว่าที่วงคดอันนี้ความสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับของพระองค์นั้นจะต้องจําไว้ด้วยวันเมื่อประสูตรได้ห้าวันก็มีการขนานพนามนะทํานายลักษณะและขนานพนามเมื่อประสูตรได้เจ็ดวันพระรมารดาคือพระนางเจ้าสิรีมหามายาก็ที่วงคตพระเจ้าสุโธทนะก็ะจินเนมอก ภาระในการเลี้ยงดูพระราชโอรสนี้ให้แก่พนางประชาบดีพระมาตุฉาเลี้ยงต่อไปพนางประชาบดีกิ์โคตมีผู้นี้ก็เป็นพนาคือเป็นน้องสาวแท้ๆของพนางเจ้าสิริมหามายาซึ่งก็ได้เป็นพระมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าสุดโทธนะเพราะฉะนั้นเมื่อพนางเจ้าสิริมหามายาที่วงคตแล้วพระเจ้าสุดโทนะก็จึงได้มอบ ให้อยู่ในความดูแลของผานางโคผานามประชาบดีโคตมีเลี้ยงต่อไปพผานางประชาบดีโคตมีผู้นี้ได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยมีพระราชโอรสพระนางาพระองค์หนึ่งนามวันนันทกุมารแล้วก็มีพระราชบุตรีพระองค์หนึ่งนามวารูปา น, านันธาแต่ถึงแม้อย่างนั้นก็ตามพระองค์ก็ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่อง พระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ของพระองค์นั้นมอบให้เป็นหน้าที่ของแม่เลี้ยงนำนมต่อไปส่วนพระองค์ก็ทรงเลี้ยงดูหรือว่านําพระเลี้ยงดูบํารุงทั้งนุบํารุงพระาเจ้าชายสีถากุมารด้วยพระองค์เองโดยการที่ให้ถือายดื่มทันธาราจากพระองค์บ้างแล้วเลี้ยงดูด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองส่วนลูกของพระองค์ทั้งสองพระองค์นั้นก็ให้ ไม่ค่อยจะสนใจมานักให้อยู่ในความดูแลของพี่เลี้ยงนางนมต่อไปเจ้าชายีรากุมารเมื่อเจริญวัยขึ้นมาโดยลำดับมีพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาพระราชบิดาก็จึงได้ไปชมหมู่มุขมหาทั้งหลายถามว่าเด็กอายุเจ็ดขวบนี้ชอบอะไรพวกมุขมาทั้งหลายก็บอกว่าเด็กอายุเจ็ดขวบนี <c oughs> ชอบเล่นน้ำดังนั้นพระเจ้าสุโทธทนะก็จึงตรัสสั่งให้ขุดสะโปกรณีขึ้นในพระราชินิเวศด้วยกันสามสระคำว่าสะโปกรณนีนี่หมายถึงว่าสะบัวโปกระโปกรณนีนี่โปกระนี่แปลว่าใบบัวเพราะฉะนั้น ส, สามสามสะเนี่ยพระองค์ให้ขุดขึ้นในภายในพระราชินิเวศ แล้วก็ให้ปลูกทั้งสามสระนั้นให้ปลูกบัวทั้งสามสระเพราะฉะนั้นสระนี้จึงได้ชื่อว่าโปคณีในสระลูกหนึ่งหรือว่าสระสันหนึ่งนั้นให้ปลูกอุบบนบัวขบับนะบัวนี่มีหลายชื่ออุบล น, นี่เป็นบัวชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าบัวอตามที่ในคำพี์นี้บอกว่าอุบลนนั้นแปลว บ, บัวขบับคือบัวเขียวๆที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันที่เรามาใช้บูชาพระนั้น เนี่ยเรียกอุบลแล้วก็ให้ปลูก ป, ประทุมบัวหลวงขึ้นสะหนึ่งประทุมนี้ก็เป็นดอกเป็นชื่อของดอกบัวที่อีกชนิดหนึ่งซึ่งที่เราเรียกกันอซึ่งมีกลีบที่ปลายกลีบมีแดงอมีสีแดงที่กลีบดอกบัวมีสีแดงที่เราเรียกกันว่าบัวแดงนี่เรียกว่าประทุมแล้วบัวหลวงแล้วก็ปุนทลิกบัวขาวบัวขาวชนิดหนึ่งปุนทลิก ทั้งสามสถานีปลูกบัวหลาชนิดแต่ว่าปลูกบัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสถานี้จึงได้ชื่อว่าสระโปรคนีแปลว่าสะบัวเพื่อให้เป็นที่เล่นสำลันของพระราชโอรสฮะเพราะเห็นว่าเด็กอายุเจ๊กวบนี้ชอบน้ําก็จึงได้ขุดให้เป็นที่เล่นสำลันในพระราชอัศราชนิเวศและนอกจากนั้นแล้วยังได้หาเครื่องทรง อันเป็นผ้าที่มีราคามากผ้าโพกฝรเสียนอันมาจากเมืองกาสีซึ่งแควงกาสีก็คือที่มีเมืองหลวงว่าพาราณสีเนี่ยมีเสื้อผ้ามีผ้าที่ชนิดราคาดีอ่าราคาแพงแล้วก็ชนิดยอดเยี่ยมมากซึ่งนับว่ามีชื่อเสียงที่สุดในอินเดียแม้แต่ว่าชาวไทยเราทั้งหลายโดยเฉพาะพวกญาติโยมผู้หญิงนั่นเมื่อไปประเทศเดียแล้วเอาเงินไปทิง้งซื้อสถานที่นี้มากสัมมากกัน คือไปติดใจเรื่องผ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าสุโธนะก็สั่งผ้านี้มาจากแควนกาสีสำหรับ พ, พระผูเสียบางสำหรับสรลองพระองค์บังแล้วก็จัดเครื่องทรงต่างๆพระภูสาต่างๆและของโดยของประณีตมีคนคอยกั้นสเสวยกระชับคือล่มขาวรหรือว่ากดขาวนันเองเพื่อที่จะไม่ให้กระทบละอองทุลีหรือว่าแดดลมต่างๆ ท่านพระกุมารเจริญวัยขึ้นเห็นว่าควรจะได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาได้แล้วพระราชบิดาก็จึงพาไปมอบไว้ในสำนักของครูวิศวามิตรเพื่อที่จะได้รับศึกษาศิาศลปะวิทยาต่างๆก็ปรากฏว่าพระราชกุมารน้ทรงเรียนได้อย่างว่องไวจนกระทั่งที่ว่าสิ้นความรู้ของอาจารย์แล้วก็ได้แสดง ศิลปวิทยาในการเล่าเรียนนี้ให้ปรากฏในหมู่พยาติซึ่งจะหาใครที่เดทัดเทียมได้ยากเหมือนกันและในตอนนี้เองท่านพระคันรธรจนาจารย์ก็ได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องอภินิหารของพระมหาบุรุษไว้ในขณะที่ว่ายังทรงพยาวมีอายุประมาณเจ็กขวบนี้ว่าคราวหนึ่งนั้นน่ะได้มีการวัปปะมงคลแรกนาขวัญ ว่าประมงคณแลกนาขวันนี้ก็เหมือนกับประเทศไทยเราเหมือนกันที่มีพระราชวิธีแลกนาขวันแต่ว่าทางประเทศอินเดียนั้นเขาได้มีมาแล้วตั้งแต่สมัยดึกดับบันแม้แต่สมัยพระเจ้าสุโธธนะก็ได้มีเป็นประจำทุกปีเพราะว่ากษัตริย์ของชาวอินเดียนั้นหรือว่าศสกยาตระกูลศสกยากรษิษเหล่านี้ก็เป็นกษัตริย์ที่จะทํานาเหมือนกันเราจะสังเกตได้ว่า แม้แต่พระนามของพระองค์ก็เกี่ยวเกี่ยวกับด้วยข้าวทนะั้งนั้นเช่นพระเจ้าสุดโทธนะมาจากคำว่าสุดทักกับโอทนะโอทนะแปลว่าข้าวสุกสุดทักก็ข้าวขาวหรือข้าวสะอาดสุดโทธนะสุดโกธนะก็ข้าวอิ่เหมือนกันมีโตทนะโธโตธนะคณิโตทนะนทนะเกี่ยวกับเรื่องข้าวสุกทั้งนั้นก็แสดงว่ากระสับสมัยก่อนนี้ก็ทรงทำนา พระเจ้าเมื่อครั้งหนึ่งได้มีว่าบอว่าปรามงคลแรกนาขวัญ น, นี้อันเป็นกระทําประจําปีพระเจ้าสุโธทนะก็เสด็จทรงเสด็จแรกนาขวัญด้วยพระองค์เองแต่ว่าเมืองไทยเหล่านี้โดยมากจะให้พญาแรกนาเป็นคนอื่นเป็นพญาแลกนาขวัญแทนอ่าพระบาทอของอันแทนในหลวงแต่ว่าสมัยอดีตกาานั้น คือคังพุทธกาลนั้นพระเจ้าสุโธนะนทรงแล่งนาขวัญด้วยพระองค์เองในพระราชพิธีนี้ก็สั่งให้เชิญสเสด็จเจ้าชายศรีถาภุมานเนี่ยไปร่วมในงานพิธีด้วยพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็จึงได้จัดให้พี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็จึงจัดให้พระราชกุมารเนี่ยพักที่ใต้ต้นว่าต้นหนึ่งโดยที่ใช้ยผ้านั้นดกักลังคาเพื่อที่จะกันยางไม้หรือว่าตัวสัตว์ต่างๆที่จะ ตกมาถูกต้องพระองค์เมื่อถึงในขณะที่กําลังแรก เ, เริ่มพิธีแรกนาขวัญอยู่นั้นพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็ได้ละทิ้งโดยเคลิตัวต้องการจะดูพระราชพิธีละทิ้งพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทากุมานเนี่ยให้ประทับนั่งอยู่เพียงพระองค์เดียวมันดูพระราชพิธีพระกุมารนั้นพอไดเอ้เห็นว่าพี่เลี้ยงนางนมไปหมดแล้วเห็นว่าขณะนี้เป็นเวลาที่สงบดีก็เลยนั่งขัดบัลลังก์ คือนั่งขัดสมาธิคำว่าสอนก็นั่งขัดสมาธิก็คือนั่งขัดสมาธินั่นเองนะแล้วก็เจริญอาณาปาณสติการเจริญอาณาปาณสตินี้ก็คือเจริญก็คือกําหนดลมหายใจเข้าออกนะอาณาปาณสตินี้กําหนดลมหายใจเข้าออกอคือเจริญกรรมฐานภายใต้ต้นชมพู่ว่านั่นเองการเจริญอาณาปาณสตินี้ก็เหมือนกัน แต่และสำนักสำนักนั้นไม่ค่อยจะเหมือนกันเช่นสำนักกนมาธาตุนี้ก็จะเลิญใช้คําว่ายุบหนอพองหนอคือว่ายุบนั้นหมายถึงว่าหายใจออกแล้วก็พองนั้นหมายถึงว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจเข้าแล้วพ้องจะพองแต่ว่าสำนักวอื่นนั้นเขาใช้คําว่าพุทโธพุทหายใจออกโธหายใจเข้าหรือใช้คําว่าสัมมาอารหัง แต่ว่าบางท่านก็ไปกล่าวว่าวัดโน้นผิดวัดนี้ผิดความจริงไม่ผิดมันชุดแท้แต่ว่าเป็นอบประเทศอันหนึ่งของของแต่ละท่านแต่ความจริงความมุ่งหมายแล้วก็คือการจเจริญอาณาปัณณสติคือกําหนดลมหายใจเข้าออกเองเพราะฉะนั้นทุกสำนักไม่ผิดในขณะที่พระองค์จเจริญอาณาปาณสติอยู่นั่นก็ทําให้ปฐมวชานเกิดขึ้นในขณะที่ปฐมวิชานเกิดขึ้นนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้ว เงาต้นไม้อื่นนั้นคล้อยตามไปหมดตามอตามตะวันไปหมดแต่ว่าต้นชมพูหรือต้นต้นว่าที่พระองค์ทรงนั่งประทับนั้นด้วยอํานาจของปฐมฌานนั้นเงาต้นว่านั้นไม่คล้อยไปเหมือนกับต้นไม้อื่นยังคงปกคลุมเหมือนตอนพระอาทิตย์เที่ยงวันเป็นนับว่าเป็นอัศจรรย์มากพี่เรียนานาำดมทั้งหลายเมื่อรู้ตัวกลับมาแล้วมาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้น ก็จึงได้ไปกราบทูลต่อพระเจ้าสุโทธทนะเอาละท่านผู้ฟังทั้งหลายบทเรียนบทนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอความเจริญพระสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักเรียนทุกท่านสวัสดีเจริญสุขสวัส ด, สสดีท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายในครั้งที่แล้วบทเรียนพุทธะวัตินั้น ก็ได้กล่าวถึงตอนที่พระพี่เลียเ้ยงนางนมเห็นความมหัศจรรย์ในการที่ต้นว่าไม่ชายเงาเป็นเหมือนต้นไม้อื่นในขณะที่เจ้าชายสถภกุมารกาลังบำเพกำลังเจริญอนาปนานสติอย่างปฐมวิชานให้เกิดอยู่เมื่อเห็นความมหัศจรรย์ชนีแล้วก็จึงได้นำ เมื่อความอันนี้ไปกราบทูลพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะเมื่อได้สำได้สับว์ฉะนั้นก็จึงได้เสด็จรีเสด็จมาเมือ่อเห็นความมหัศจรรย์ฉะนั้นก็จึงได้ยกพระหัตถ์ขึ้นถวายบังคมพระโอรสเป็นครั้งที่สองโดยการกล่าวว่าครั้งครั้งแรกนั้นเมื่อได้เห็นกาลเทวินดาบทมหัศกรรที่พระบาท อ่าก็ได้ถวายบังคมแล้วเป็นครั้งแรกและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนีพระเจ้าสุโธทนะไหว้พระราชโอรสของพระองค์เป็นครั้งที่สองเมื่อพระราชกุมารเจริญวัยขึ้นมาจนกระทั่งมีพระชนมายุได้ 16, สิบหกพรรษาพระเจ้าสุโธทนะเจ้าส่บัญญิว่าควรที่จะมีพระชายาได้แล้ว ในกรณีเช่นนี้ก็พระเจ้าสุโธทนะนั้นหวังที่จะให้เจ้าชายศิษฐกุมาร น, นั้นน่ะอยู่ในเพศคราวาฒน์จึงพยายามพยายามหาบ่วงแห่งโลกิยะผู้พันในเในเพศคราวาฒนั้นซึ่งตนเองสามารถทำได้ก็ทำโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระชนเกอายุ16พรรษาท่านเองก็จัดแจงให้มีพระเทวี ว่าเห็นว่าควรจะมีพระเทวีได้แล้วก็จึงได้สั่งดำ้ำรัยสั่งให้สร้างปราสาทขึ้นสามหลังเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่อย่างสาํารานแก่พระราชโอรสในสามฤดูกันก็คือว่าปราสาทสาหรับฤดูหนาวหนึ่งหลังฤดูร้อนหนึ่งหลังและฤดูฝนหนึ่งหลังความจริงแล้วการสร้างบ้านให้เหมาะสมแกฤดูหรือว่าสร้างปราสาทให้เหมาะสมแกฤดูทั้งสามนี้ ไม่ใช่ว่าเป็นการฟุม่มเฟืยเลยสําหรับประเทศอินเดียเพราะประเทศอินเดียนั้นอากาศทารุ่มมากหนาวจนกระทั่งคนตายร้อนก็ร้อนจนกระทั่งคนตายอ่าเช่นหน้าดูร้อนเนี่ยคนสี่ทีสามลอ้อตีทีไปกลางแดดแล้วก็ฟุ๊บตายเพราะที่เฉยอย่างนี้ต้องมีะฉะนั้นอากาศทารุมมาก การที่สร้างบ้านทั้งสามฤดูนั้นก็เพื่อยังชีวิตของตัวเองนะให้รอดพ้นฤดูการแต่ลฤดูฤดูเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าสิท ธ, ธโทนะก็จึงได้สั่งให้สร้างปราสาทขึ้นสามหลังเพื่อให้เป็นที่เสด็จอยู่อย่างสุขจำหลานของพระราชโอรสในสามฤดูการ<ม>เลือกปราสาทสร้างปราสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงตรัสขอพระนางยโสธรา พระนางยโสธราหรือในอยันหนึ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์พานั่นเองซึ่งความจริงพระนางยาโสธราหรือพิมพานี้ก็เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอของพระเจ้าสุภพุท ธ, ธกับพระนางอาปัมิต า, ากับพระนางอมิตาซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของพระเจ้าสุโธนั่นเองอันอยู่ในสายของเวรยยิยยงนาอภิเสสมก็เป็นพระชายาต่อไป เจ้าชายศิริธาตกับพานาเจ้าชายศิริธกับพานางเจ้าสิริมหามายานีก็มีอายุสิบหกปีเท่ากันและนอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นสหาชาติกันด้วยคําว่าสหาชาติในที่นี้ก็คือเกิดในวันเดียวกันเจ้าชายศิริธุกุมารกับพนากับพนางเจ้าสิริกับพานาง พ, านานพิงพาลิยาโสทลาเนี่ยเกิดในวันเดียวกันจึงนับว่าเป็นสหาชาติ สหาชาติก็คื อ, อคนที่เกิดร่วมกันหรือว่าเกิดในวันเดียวกันกับจ้อยชายศิษาปุมานนั่นนะ่ะมีด้ยวยกันเจ็ดที่เรียกว่าสหาชาติเจ็ดคือเกิดพร้อมกันนะ่ะมีใครบ้างหนึ่งพระนางยาโสธราหรือพิมพาสองพระอ น, นุนซึ่งต่อมานั่นนะ่ะพระอนุนองค์นี้ก็คือพระราชอ พระโอรสของพระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นน้องชายของพระเจ้าสุโทธทนะซึ่งเป็นพระเจ้าอาของกาสิทธะกุมารก็เรียกว่าลูกภูพี่ผู้น้องต่อมาก็าตอนภายหลังก็มาบวหก็เป็นพระตุปปาที่มีชื่อเสียงมากพระอานน์นี่ก็เกิดวันเดียวกันสามกาลุทายียมารทเนี่ยซึ่งเป็นน้าที่ถุกอัธยาศัยกับพระองค์มาก และตอนหลังก็มาเป็นผู้ที่ว่าเชิญเสด็จพระ อ, องค์นั้นกับกรุงกบิลพัทโดดพุทธบิดาเป็นครั้งแรกแล้วก็สี่นายนนะอมรชนะนี่เราก็คงจะรู้จักกันดีซึ่งเป็นคนนั้นเป็นคนที่นำม้านกันทกะนำพนำเจ้าชายสิทธากุมารเนี่ยออกบรรพชาติดตามมาด้วยนี่คือนายนนะแล้วก็ห้างากันทกะ นะมากันตกะซึ่งได้นำเจ้าชายศิษฐากุมารนี้ออกบรรพชาในค่ำคืนนั่นเองหกต้นสีมหาโพหรือที่เรียกว่าเรียกว่าต้นโพตับสูนนั่นเองก็เกิดในวันเดียวกันคืองอกแตกแอดแตกหน่อมาในวันเดียวกันกับที่ตาศิษถากุมานประสูติแล้วก็เจ็ดขุมทรัพย์ทั้งสี่หมเมือง คือสี่มุมกรุงกบิลพั์ซึ่งเกิดมาคอยที่จะรองรับสำหรับบุคคลที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่ทั้งหมดนี้เรียกว่าสหาชาติเจ็ดคือเกิดในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณนางเจ้ายะโสธราหรือพนางพิมพานี้ก็เป็นสหาชาติคือเกิดในวันเดียวกันเมื่อเจ้าชาศิษฐ์ลุมาน กับพานาังเจ้าสิริมังกับพานางพิมพาหรือยะโสธลานี้ได้สวยอภิรมสุขกันอยู่ในปราสาทั้ง3ามันดูโดยมีสตรีลเลื้อนประโคมดนตรีขับกล่อมเป็นประจำวันหาบุษเจอือผลมีได้สเสวยวสุขสมบัติทางกลางวันคืนมาจนกระทั่งพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าปีจึงได้มีพระโอรสพระองค์หนึ่ง ซึ่งมีนามว่าราหุนกุมารนะมีนามว่าราหุนกุมารแล้วก็ราหุนกุมาร น, นี่เองซึ่งเป็นพระอาลาชโอรถพระองค์เดียวของเจ้าชายิท ธ, ธัถากุมารกับพนางยาโสธรา ในท้ายบริเศสนี้ท่านก็ได้กล่าวถึงสักยวงศ์ซึ่งไม่มีพระโอรสสืบเนื่องกันมาแต่ว่าเป็นสักยวงศ์ที่ไม่ได้เป็นสายตรงพระเจ้าสุโธนะคือเป็นสายของพระเจ้าอานะท่านได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าสุโภธนะซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าสุโธท น, นั้น มีพระราชโอรสองหนึ่งพระนามว่าอนันทะหรือที่เราเรียกกันโดยติดปากว่าพระอนนันั่นเองอมิโตทนะมีพระราชโอรสสองพระองค์คือพระมหานามะกับพระอนุทพและมีพระราชธิดาพระธิดาอีกหนึ่งพระองค์ทรงพระนามว่าโรฮินีเสียงพระนามอมิตาพระราชกนิษฐาพรคินีคือน้องสาว ของพระเจ้าสุโธทนะนั้นในเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุภฟุตทะแห่งโกริยวงศ์แลสู่พระราชบุตรพระองค์หนึ่งอทรงพรนามว่าเทวทัพและพระราชบุตรีพระองค์หนึ่งทรงพรนามว่าโยาโสธราหรือพิมพาซึ่งในเป็นพระชายาของเจ้าชายสิสถากุมาร น, นี่เอง ก็เป็นอันว่าจบปริเชตที่สามต่อไปก็ขึ้นปริเชตที่สี่ในปริเชตที่สี่นี้เรื่องเกี่ยวกับเสด็จออกบรรพชาเจ้าชายศถากุมาเสด็จอยู่ครองฆราวาสวิสัยนี้ปราบเท่ากระทั่งอายุยี่สิบเก้าพรรษาแต่นั้นก็เสด็จออกบรรพชา เป็นบัรพชิตสแสวงหาสัมมาสัมพุทธิยานต่อไปอะไรเล่าเป็นมูลเหตุที่ให้พระองค์ทรงสเสด็จออกบรรพชาอันนี้เราควรจะมาทราบกันนะเรื่องว่าอะไรเป็นเหตุให้พระองค์ออกสเสด็จออกบนรนพชานี่ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาจงฟังให้ให้ชัดๆเพราะการที่มูลเหตุทําให้พระองค์สเสด็จออกบรรพชานี่ พระอาจารย์ท่านก็กล่าวไว้เป็นสองในเช่นเดียวกันคือในหนึ่งได้แก่ท่านอาจารย์ผู้รจนาอัตถกถาเป็นแดงความตามในมหาประธานสูตรว่าเจ้าชายศิษากุมา น, นั่นในทดอทะเศเห็นเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่นั่น คำว่าเทวทูตเทวทูตนั่นก็คือเทวดาแปลงมาจำแรงมาเทวทูตทั้งสีนั่นก็คือคนแก่คนเจ็บคนตาและสมะัมเนซึ่งท่านกล่าวไว้ว่าได้เห็นในระหว่างทางที่เสด็จพระราชพิยีานคือครั้งแรกที่เสด็จออกประพาสพระราชพิธีา น, นั้นเจ้าชายศีถานได้เห็นพุทเทวทูตที่แปลงตนมาเป็นคนแก่เมื่อแปลงตนมาเป็นคนแก่ก็สอบถาม ในสารถีว่านี่ยเขาเรียกอะไรบกคุณแก่เนี่เรามีจะพ้นหรือไหมในสารถีก็บอกว่าไม่มีใครที่สามารถจะพ้นได้จากความแก่ไปพระองค์ก็เกิดความสงบสเวขแล้วก็สเสด็จกลับไปเเสด็จไปไม่ถึงพระราจุทยานต่อมาในวาราทีสองอยู่ต่อมาพระองค์เมื่อต้องการที่จะสเสด็จไปผ้าอุทยานก็ไปอีกเลื่อไปอีกในครั้งที่สองนี่ไปพบคุณเจ็บ กำลังนอนเียงพลังก็จึงไดถามนายสารธีนายธีก็บอกว่าคนเจ็บแล้วก็ถามว่าเรานี่จะได้พ้นไหมก็บอกว่าไม่พ้นเสร็จแล้วเกิดโสดสังเวก็เได้กลับไปไม่ถึงพระราชอุทยานนี่ในครั้งที่สามก็ไปพบคนตายขึ้นคนตายนอนอยู่ข้างทางก็เห็นเช่นี้แล้วก็ถามนายสารธี สามในสาทรทีสาทีก็บอกว่าคนตายแล้วก็ถามว่าเรานี้จะรอดคนไหมในสารทีก็บอกว่าคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายทุกคนไม่มีใครที่จะรอดพ้นความตายไปได้นพระองค์ก็เกิดความสรุดสังเวยก็สเสด็จกลับอีกไปไม่ถึงนี่เหมือนกันและในวาระที่สี่นั้นเสด็จไปพบสมณะคือนักบวช ที่เทวดานั้นแจ้งนิมิตไว้ให้เห็นในระหว่างทางก็ทรงถามในสารถีสารถีก็บอกว่าบุคคลชนิดนี้เขาเรียกว่าสมณะหรือแปลว่านักบวชแล้วก็จะไม่ถามความเป็นไปของนักบวชว่ามีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรเมื่อในทราบชีวิตของนักบวชแล้วว่านักบวชเนี่ยมีชีวิตอยู่โดยการที่เรียกว่า เรื่องชีวิตด้วยการบิธาบาตัติหรือเรียกว่าขอทานชาวบ้านพระองค์ก็มาพิจารณาเห็นเชนี้แล้วก็เกิดความพอใจเห็นว่าในชีวิตของสมณะนี้มีหนทางกว้างมากมายในการที่จะแสวงหามโมกธรรมหาสิ่งที่จะมาแก้ความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความพอใจอย่างนั้น พระองค์วันนั้นก็ทรงจำรานอยู่ด้วยความพอพระใจพระทายในการออกบทนี้ในพระในพระราชุทยานตลอดวันนะอยู่ตลอดวันในตอนเย็นนั้นก็จะกลับจ ะ, สะเสด็จกลับพระราชวังนั้นก็ปรากฏว่ามีอำมาตย์คนหนึ่ง ไปกล่าวทูลว่าบัดนี้พระราชโอรสของพระองค์นั้นเน่ะประสูติแล้วท่านนางเจ้าพิมพานั้นได้ประสูติพระราชโอรสแล้วพระองค์ได้สนับเช่นนี้เขาแล้วในพระทัยของพระองค์กําลังยินดีเกิดความปีติปลาโมดในการยินดีที่จมวอดอยู่เพราะได้ฟังว่าพระราชโอรส ป, ประสูติเชนนี้แล้วก็จึงได้เปล่งอุทานขึ้นมาทันทีว่าวราวลังชาตังทันทนางชาตังเบียงเกิดขึ้นแล้วเครื่องพันธนาการเกิดขึ้นแล้ว คตอจิตใจของพระองค์นึงต้องการจะออกบปปรรพชาแล้วแต่ปรากฏว่าพวกมาเกลวว่ามาเกลทูลว่าพระราชโอรสประสุกแล้วบุตนี่แหละนับว่าเป็นดวงดวงหนึ่งที่ทําให้ผูกพันบุคคลเหล่านี้ให้ติดอยู่ในโลกไม่สามารถที่จะออกบุตรเลือออกอะไรได้เพราะนั้นพระองค์ก็จึงได้อุทานม า, ว, า, า, า, าว่าลาหูลังชาตังคําว่าลาหุลังลาหูละนลาหูน่ะลาหุละนัะ่นแปลว่าดวงเพราะฉะนั้น ด้วยอำ น, นาจของที่พระองค์ทรงอุทานมาเช่นนี้พระราชโอรสของพระองค์นั้นอี ก, กสิ่งได้มีนามว่าพระราหุลคือแปลเป็นไทงงยง่ายๆคือว่าเจ้าชายบ่วงหรือเจ้าชายห่วงนั่นเองเสร็จ <Okay. S 1> แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับนี่อันนี้เป็นมูลเหตุอันหนึ่งนะซึ่งพระอาจารย์ภูรจนาอัตถกะฐานั้นได้ ก, กล่าวไว้นะฝ่ายอาจารย์ภูรจนาบาลีมัชฌิมนิกาย แสดงไปอีกแนวหนึ่งแสดงว่าไม่ใช่พระองค์นั้นน่ะยังไม่ได้เคยพบคนแก่คนเจ็บคนตายเหมือนอย่างที่ว่าท่านอาจารย์ท่านกล่าวไว้คือคนเราเกิดมาเนี่ยจนถึ ง, งขณะขณะที่เรายื้ากจะไม่เคยพบคนแก่คนเจ็บคนตายเลยเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นคนฉลาดไปได้แต่ว่าพระองค์นั้นน่นทรงเคยเห็นมาแล้วเคยพบมาแล้ว แต่ใยความที่อยู่ในวัยหนุ่มในวัยขนอง น, นั้นก็จึงไม่ได้คิดในนึกไในน้อมนํามาคิดกับตัวเองเห็นคนแก่ก็แก่ไปเห็นคนเจ็บก็เจ็บไปคนตายก็ตายไปแต่ตัวเรานี่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้หวนน้อมของมันลึ ก, ลกถึงแต่ขณะนี้พระ อ, องค์มีอายุเข้ายี่สิบเก้าพรรษาแล้วความเป็นผู้ใหญ่ก็มีขึ้นความเป็นคนที่มีความคิดก็มีขึ้นก็เป็นในน้อมนําเอาความแก่ความเจ็บความตายนั้นน่ะ เข้ามาคิดถึงคืนนั่งเข้ามาหาตนมาคิดถึงตัวเองแล้วบ้างว่าตนเองเรานั้นต่อไปไปจะบวชตนเองนั้นเรานั้นก็แก่เหมือนกันในขณะนี้ก็แก่ไปเ อ, อไปบ้างแล้วและต่อไปจะแก่อีกจะต้องเจ็บต้องตายทั้งนั้นทุกคนไม่สามารถที่จะรอดพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้แต่บางคนนั้นเน่ยเมื่อพิจารณาที่นี้แล้วโดยความเบือหนายเกลียดชังความคนความแก่ความเจ็บควาตาย ไม่คิดถึงตัววตัวเราจะต้องเป็นอย่างนั้นด้างความจริงทุกคนนะ่ะไม่มีใครชอบหรอกเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนะแต่ทุกคนก็หนีไม่พ้นเสร็จแล้วเมื่อพระองค์ทรงคิดชะนีแล้วก็นึ ก, กว่าคนเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วก็คอยความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นเองเป็นคนที่ไม่ได้ไม่รอความตายแล้วไม่ได้คิดถึงตัวเราเองว่าจะหาสิ่งเหล่านี้มาต้องกันเสีย ยังมัวเมาอยู่ในความเมาทั้งสามประการคือยังเมาอยู่เมาสามประการมีอะไรบ้างก็หนึงเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวคือตนเองนั่นนหะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็คือมองตัวเองเนี่ยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ดูๆใค่ว่าจะไม่แก่อย่างนั้นเมัวเมาลื่นเลิองอยู่ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวโดยที่ไม่ได้กระทาคุณงามความดีอะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน หนุ่มสาวบางคนมันเขาไม่ยอมเข้าวัดก็เห็นว่าไอ้การเข้าวัดนั่นเป็นหน้าที่ของคนเจ๊กแก่ไอ้ส่วนวัย ห, หนุ่มวัยสาวนี่เข้าวัดเขาแล้วรู้สึกว่าอายกันอย่างนี้ก็มีมเมาประการที่สองคือเมาในความไม่มีโลกนะความเมาในความไม่มีโลกคนที่ยังเป็นหนุ่มแน่นยังมีกําลังร่างกายแข็งแรงไม่อ่อนแอดไม่เจ็บ ก็ทําเป็นคนประมาทเช่เหมือนกับเราเนี่ยังห่างไกลจากความตายมากนี่เรียกว่าเมาในความไม่มีโลกแล้วประการที่สามคือเมาในชีวิตคนเราบางคนเนี่ยเกิดมาในชีวิตที่ดีคือเกิดในตระ ก, กูลที่ร่ํารวยมั่งมีเงินทองเลี้ยชีวิตโดยความไม่คุยเคืองก็ลืมนึกไปทิ้งหลงและเลินในชีวิตแห่งเหล่านั้นอของตอนเองเหล่านั้นเชื่อจนกรทางทีไม่นึกถึงไอ้ความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาหาตน ไม่คิดหาอุบายเป็นที่ดลพนหรือเป็นเครื่องแก่ส่วนพระองค์นั้นเมื่อ น, น้องเข้ามาในตนแล้วก็คิดต้นน้อมคิดขึ้นไปว่าตัวเองนี่จะต้องเป็นอย่างนั้นและพระองค์ก็ไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็ต้องการจะหาอุบายเป็นเครื่องแก่โดยที่พระองค์นั้นน่ะทรงคิดว่าธรรมดาสิ่งในโลกเราเนี่ยเป็นของมีของที่แก่กัน เช่นมีร้อนก็มีเย็นแก้มีมืด ก, ก็มีสว่างแก้นะเรืนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีความแปรความเจ็บความตายก็ควรจะมีสิ่งที่แก้แก้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้บ้างเมื่อทรงบาเมื่อทรงคิดเร่องนี้แล้วก็คิดว่า ชีวิตในค า, ารวาานี้เป็นหนทางที่แคบเป็นการยากที่เราจะแสวงหาอุบายเหล่านี้หรือเรียกว่าเพื่อเป็นการยากที่จะแสวงหาโมกธรรมคือทำเป็นเครื่องพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเหล่านี้ เ, เพราะว่าชีวิตของคาวาานั้นเป็นคนที่มีครอบมีครัวมีบุตมีภรญยาบางท่านนั้นตัวเอง เลื้ยงตัวเองยังไม่ค่อยจะรอดแล้วยังจะต้องมีภาระเลี้ยงดูพัญญาและบุตรอีกบางคนนั้นต้องทำงานวันยังค่ำเพื่อความเป็นอยู่ของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเวลาเรื่องหาเวลาว่างที่จะมาคิดถึงอุบายเป็นเครื่องแก้เหล่านี้ไม่ได้แต่เห็นว่าเพศของสมณะนั้นเลี้ยงเพียงตัวคนเดียวไม่มีบุตรไม่มีพัญญา แล้วอาศัยประกอบอาชีพโดยการออกบิทธบัติหรือเรียกว่าขอทานเขากินเมื่ตตอตนเองขอตานพอเลี้ยงชีวิตแล้วเวลานอกนั้นน่ะเป็นเวลาว่างมากเราสามารถที่จะใช้เวลานั้น่คน้นหรือว่าสแสวงหาอุบายเป็นเครื่องพนใดเมื่อพระองค์ดำดิเช่นนี้แล้วก็จึงได้พอใจในการบรรญชาน่ในการบว ช, น, รบรรชนี่เป็นมูลเหตุแห่งการออกบรรญชาของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้น เมื่อมีคําถามว่าอะไรเป็นมูลเหตุแห่งบรรพชาถ้าทําให้เจ้าจชายสิทธะออกบรรพชานั้นนักเรีลงต้องตอบเป็นสองในจะตอบเป็นไหนใดใดหนึ่งไม่ได้จะต้องตอบเป็นสองในตามที่อาจารย์ท่านไดก้กล่าวไว้แล้วแต่เมื่อท่านเจษฎาลงจริง ๆ, ๆแล้วก็ลงในในายเดียวกันคือว่าปลาลบถึงความแก่ความเจบความตายแต่วิธีปาลารบนั้นหรือ้นถามที่จะปลาลบนั้น เป็นคติพิสิทธิ์ท่านนิดหนึ่งอ า, าอ ง, ง, องอาจารย์องค์แรกท่านอาจารย์องค์แรกคืออาจารย์ผู้รจนาอัตถกาฐานนั้ น, นกล่าวว่าใจเห็นเทเวทูตคือเทวดาจำแรงแปลงมาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ว่าอาจารย์ผู้รจนามัชินมนิกายนี้ท่านกล่าวว่าน้อมนําเอาความแก่ความเจ็บคนตายนั้นเข้ามาสู่ตนท่านจะพูดแล้วก็คือว่าในเดียวกันคือจะลบความแก่ความเจ็บคนตายเหมือนกัน ก็ไปอันว่าเหตุที่ทำให้พระองค์ออกบรรพชานึ้งก็คือว่าปลารบถึงความแก่ความเจ็บและความตาย mm. เมื่อพระองค์ปลารกน้อมใจไปในทางบรรพชาแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จออกบรรพชาในปีที่พระองค์มีพระชนมายุ 29,000 ปานานเอง แล้วการบรรพชาของพระองค์ก็มีเรื่องที่ควรควรที่จะเลี้ยงอีกเหมือนกันการที่พระองค์ทรงบรรพชานั้นบรรพชาอย่างไรบรรพชาทลายอันนี้อีกเหมือนกันท่านก็กล่าวไว้เป็นสองนในเดยกันท่านพระคันทรัชนาจารย์นั่นผู้แต่งอัจฉกถานั้นก็ได้กล่าวในทางในทานองในเชิงว่า พระองค์สเสด็จออกนีิม่มมณีชาในตอนคืนคือในวันนั้นแหละที่พระองค์สเสด็จประพาสพระราชทิยานในวารัติศี่ีที่มีอํามตะทั้งหลายไปกราบทูลว่าพระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้ววันนั้นเองพระองค์สเสด็จกลับมาอย่างพระราชวังแล้วขึ้นไปบนปราสาทอันเป็นที่ประพาปทับของพระองค์พระองค์ในคืนนั้นทรงบนทงไม่หลับ ก็จึงได้ลุกขึ้นมาปลุกในันะให้เตรยียมหน้ า, นาการถกโดยที่พระองค์จะเสดจออกบรระชาญในคืนนี้เสร็จแล้วเมื่อพระองค์สั่งในชนะเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จัดแจงแต่งพระองค์แล้วก็เสด็จเข้าห้องพระพิมพ์ผานโดยที่ประสงค์จะดูหน้าพระโอรสพระลาหุนพระโอรสแต่บังเอิญพระนางพิมพ์านั้น ใช่พระอาจขณะที่หลับอยู่นั้นพระพาหาของพระนางพิมพาไปบังเอาพระพักของพระไอพระราหุนมาทำให้พระไอพระองค์นั้นไม่สามารถที่จะทรงเห็นพระพักของพระราหุนได้ท่านจะทรงยกพระพาหาคือแขนของพระนางพิมพาออกก็กลัวพระนางจะตื่นเดี๋ยวจะเป็นอันตรายแก่การบรรพชาก็เลยได้ตัดสินใจว่าเอาไว้ตอนที่ได้เสด็จ ในสเสด็จพระสัพพัญญุตยานคือตัสรู้ซะ ก, ก่อนให้กลับมาดูใหม่เสร็จแล้วดังนั้นพระองค์ก็สกเสด็จลงจากภร า, าสาทขึ้นมานากันธกะอันมีนายฉั น, นะเป็นสหายสเสด็จออกบรรพระอ่าสเสด็จออกจากพระนครกลุงก บ, บิลพั์ mm hmm. โดยที่ทรงมามาตลอดคืนจนกระทั่งมาถึงลุ่มสั่งแม่น้ำอะโนมานาที ซึ่งอโนมาณาทีนี้เป็นฝั่งแม่น้ําที่กั้นเขตแดนระหว่างสักกะชนบทกับมัลละชนบทพระองค์ก็เพื่อที่จะให้ปลอดภัยต่อผู้ที่ติดตามก็จึงได้เสด็จข้ามในมน้ําอโนมานาทีมาทางฝั่งซึ่งเป็นดินแดงของมัลละชนบทแล้วก็จึงได้อธิษฐานเพศบรรพชาฮะนี่ในการที่เสด็จออกมาประชา แต่ส่วนท่านพระอาจารย์ผู้รจนาบาลีมัิมนิกายนั้นกล่าวว่าการบรรพชานั้นน่าจะบรรพชาต่อหน้าคือหากว่าถ้าจะขออทูลลาพระราชบิดาบรรพชานั้นพระราชบิดาไม่ทรงอนุญาตก็คงจะ ใช้มีโกนี่ปลงพระเกษาแล้วก็มุ่งห่มผ้ากาสาวพัดอธิษฐานเพศ่บรบรพชาซะเลยเมื่อการกระทำเช่นนี้แล้วเพราะประโยญญาติมีพระราชบิดาเป็นต้นก็คงจะหมดพระอัเพราะอะไรเพราะว่าคนในสมัยโบราณ น, นั้นหรือว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเขาถือกันว่าคนใดใช้มีโกนเนี่ยโกนผมแล้วก็ถือว่าเป็นคนเสน่จจห์ไรล แล้วะนั้งเมื่อพระองค์กระทำได้เกระทาเช่นนี้แล้วพระราชบิดา์ก็เห็นว่าเป็นคนที่เต็มไปด้วยเสน็ จ, จนายแล้วก็จึงไม่ตัดทักทวงหรือตัดถ่ถามก็ทำให้พระองค์นั้นได้เสด็จออกบรรพช า, าโดยที่ไม่มีบุคคลใดขัดขวางอันนี้เป็นมติอันหนึ่งของท่านอาจารย์ผู้รจนามัชฌิมานิกาเพราฉะนั้งการเสด็จออกบรรพชานี้ ก็จึงเป็นสองมติดดวยดดวยกันเหมือนกันเอาละท่านผู้ฟังและก็ท่า น, นักศึกษาทั้งหลายบทเรียนบทนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ขอความเจริญ้าสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันสวัสดี